ในแก่เว้นจากการเมถุนธรรมนี่ไม่ได้ดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันเป็นที่ตัง้งขอมประมาทผู้รักษาสินแปดก็เพิ่มเข้าไว้แบบนี้เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการ คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่มเว้นจากการพอนำขับร้องดิดีตีเป่าประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทางเครื่องย้อมต่างๆแล้วการนั่งนอนก็นั่งนอน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 อะไรอย่างนี้นะก็นอนไม่ได้แล้วอจสนะที่ยัดโดยนุ่นและสำลีก็นั่งนอนไม่ได้เนีย่ยนี้ให้พึงเข้าใจผู้รักษาศีลแปดก็ต้องสํารวมในสิกขาบทเหล่านี้ให้ได้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 อันนี้เราทันเดียวว่า บ, บุญให้เข้าใจบุญเกิดขึ้นในใจบุญนั้นไม่มีรูปร่างอะไรเป็นนา ม, มารมเกิดขึ้นกับจิตใจเมื่อใจนึกถึงความดีเรานั่นมาแล้วก็เกิดปิติว่าเรานั้นได้ทำดีเรามีบุญกุศลคือความดีเป็นที่พึ่งอยู่ ให้อย่างนี้เันเรียกว่าทำบุญให้เข้าใจคำว่าทำบุญแบมเพนญกุศลนั่นหมายถึงว่าเราอบรมจิตใจให้สงบประนับลงไปแล้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นสามารถสอนจิตใจตัวเองให้ละกีเด็ดอันที่ยังละไม่ได้นะให้ละมัน ถ้ามันไม่ขาดก็ให้มันเบาวางออกไปจากคิดใจหรือว่าความชั่วร้ายอันใดมากระทบกระทั่งเข้าอย่างนี้เราก็รู้ทันเราไม่หวั่นไหวไปตามมันใครจะมายั่วให้โกรธเราก็ไม่โกรธอย่างนี้นะห้ามจิตได้สอนจิตตัวเองให้ละอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆได้ อันนี้ท่านเรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะให้พากันเข้าใจเราบำเพ็ญทั้งบุญทั้งกุศลนั่นละดีอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคำว่าบุญกับกุศลนี่นะกุศลนั่นย่อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าบุญเพราะกุศลนั่นหมายถึงเอาจิตใจที่ฉลาด รู้จักละกิเลสปปัปธรรมออกจากกิจใจได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าทำให้เบาวางลงได้อย่างนี้นะบุญคำว่าบุญนั้นมาถึงเราทำความดีด้วยกายด้วยวาจาเช่นกราบไหว้พระพุทธรธรรมประสงอ่าไหว้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาออาได้ความอิ่มใจ หรือว่าได้สละวัตถุทัยทานที่หามาได้แสนยากออกให้เป็นทานไปเห็นนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงผลทานที่ตนได้กระทำบมเพ็ญ น, นั้นเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงๆก็เกิดติติตปาะโมดขึ้นในใจอิ่มใจขึ้นมาอย่างนี้นะผู้ที่ได้มา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 ผ่านมาทางตาเป็นต้นหล่านี้นะไม่หลงกำหนัดยินดีไปตามรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่ <c oughs> ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไปยังหลงยินดีเงินร้ายกับ อิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิทารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายดังกล่าวมานั้นนะผมอาจารย์ของผู้นั้นก็ยังเศร้าหมองอยู่จะพองใสเต็มที่ยังไม่ได้ก็เศร้าหมองขุนมัวหมายถึงจิตใจนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นและจะย่อมเศร้าหมองขุนมัวอยู่ได้กิเลสเหล่านั้นมนครอบ ง, งาเอา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 เห็นภาพร่างกายนี่น้ำเน่าน้ำเหลืองอะไรไหลเยืม้มเล้วเห็นร่างกายนี่ถ้าว่าไม่ฝังไม่เผาบรรดาพวกแรงพวกกาพวกสุนัข ก, ก็ไปยื้อแย่งกันกินเป็นหมู่เป็นหมู่มงั้นนะมันไม่มีอะไรนะร่างกายนี่เมื่อพิจารณาให้ที่ท้วนแล้ว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 ปั้นเอาลูกใหม่ต่อไปเท่านั้นแหละอืมชาวบ้านก็เหมือนกันนะเมื่อมันแตกชาไผใช่ไหมมันแตกแล้วก็ซื้อมาใหม่อย่างงี้นะเพราะว่าเอาไปเกี่ยวยาเนี่ยามันก็ไม่คงทนอะไรอย่างร่างกายคนเราก็เป็นเหมือนกับหม้อเหมือนกับภาชนะที่ปั้นด้วยดินเผาต่างๆ่างหมนั่นแหละมันก็เหมือนกันออา เราอาศัยมันไปโดยลำดับไปมันก็สึกล้อไปเรื่อยๆไปํารุดไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญเก่าน้อยหลอลงไปเท่าใดร่างกายนี่มันก็ยิ่งทุดโทรมไปเท่านั้นอ่อนเพลียลงไปเท่านั้นถึงว่าร่างกายนี่ยังปรากฏว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ก็ตามนะแต่เรี่ยวแรงนี่มันหมดไป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 ถ้าได้ลงเหนื่อยแล้วก็กลัวจะหายได้กน็นานขนเท่าขนแกลงได้เหนื่อยแล้วนี่ต้องหยุดพักตั้งนมน้นนะกลัวจะหายเหนื่อยไม่เหมือนคนนมคนง่มก็พักนิดหน่อยแล้วก็หายอย่างนี้แหละลักษณะอาการของอุคลผู้ที่มีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันล่อยหล่อลงไปมันจวนจะหมดไปแล้ว มันก็แสดงให้รู้ให้เห็นอยู่แล้วแต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาส่วนมากนะนะแม้จะเท่าแก่ชราอย่างไรก็จะไม่คิดทำบุญกุศลไม่คิดฝึกตนอบรมตนเลยอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันอาศัยบุญเก่าพอบุญเก่ามันหมดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ผู้มีปัญญาเมื่อ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 พระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสโน้อยใหญ่ทั้งหลายก่อนคนอื่นทั้งหมดพระองค์พยายามละกิเลสโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนอุบายอะไรให้เลยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์พราะคนธรรมดาสามานนี่จะภาคเพียนอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สําเร็จได้ถ้ายังไม่ได้ฟังคําสอนจากพระพุเทธเจ้าหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายก่อนะไม่สามารถจะได้บักได้ผลอะไรเลยอืเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุเทธเจ้าเลยว่าเป็นผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ จ, จริง เพราะว่าอารหัตคุณคุณคือความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสนี่เป็นคุณอันสูงสุดเลยไม่มีคนอื่นใดยิ่งไปกว่าหรือเสมออย่างนี้ไม่มีอ่ะอนี่แต่อรหัตคุณเนี่ยเป็นจอมเลยทีเดียวเป็นยอดแห่งคุณทั้งหลายคุณพระพุทธเจ้าก็รวมลงในนี่หมดเลยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นคนผู้มีว่าธนาบารมีดังแต่ครั้งหลวงพุทธเจ้านี่นะทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหลวงพุทธเจ้าแต่บุญกุศลทอนหลังเนี่ยมาโดนบันดาลให้อยากพ่อหลวงพุทธเจ้าอยากเห็นหลวพุทธเจ้าอย่างแรงทีเดียวอือย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าเจ้ามหากรรณาธิ์นี่ เกิดเป็นวันมามีแต่ทรงมาแล้วเดินไปผ่ามมาวิ่งไปตามถนนน้นทางในเมืองตามซุ้มประตูต่างๆไปเที่ยวถามคนว่าใครยังได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมส่งบังเกิดแล้วหรือไม่อย่างนี้นะเมื่อไม่มีใครได้ยินก็ผ่านไปวันนี้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 สามคนเดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีนุ่นมาค่าไถในเมืองอุกรัตนนครเมืองของพระเจ้ากบินะก็จึงได้ตัดถามพ่อค่าสามคนนั้นพ่อค่าสามคนนั้นจึงได้กราบทูลว่าบัติพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเวลานี้ประทับอยู่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันาราม ประชาชได้ฟังนะเกิดปีติทั้งห้าขึ้นจนถึงกับสลบสไลไปพอพื้นขึ้นมาแล้วพ็ถามอีกพวกพ่ขอข่านก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วจริงๆเวลานี้นะประทับอยู่เมืองสาวถีเอาก็สลบไปอีกพื้นขึ้นมาก็ถามอีกกดทูลได้ทรงทราบเหมือนเดิมครั้งที่สามจึงตั้งสติได้ โอ้น่าอัศจรรย์หนอพระพุทธเจ้าพระธรรมบังเกิดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเอาละพวกท่านมาบอกข่าวอันเป็นมงคลอันสูงยิ่งให้เก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประทานรางวัลให้คนละแสนกหาปณะนะพระราชาก็เขียนจนหมายใส่ซองแล้วก็มอบให้พกข้าสามคนนั้นไปเอา หนังสือนี่ไปใหพ้พระราชินีของเราที่พระราชวังนะแล้วเขาจะได้จ่ายเงินให้พวกท่านคนละแสนหนึ่งพวกพ่อข้าเหล่านั้นก็ไปกันเข้าไปในเมืองส่วนพระราชาทราบอย่างนั้นแล้วก็ทรงมาพร้อมด้วยพวกอมาตะพันหนึ่งแล้วก็เสด็จไปเลยไม่กลับไปพระราชวังเลยอืม นีบสเสด็จไปเพื่อจยไปพ่อพระพุทธเจ้าส่วนพ่อค้าสามคนนี่ก็เข้าไปในพระราชวังขออนุญาตจากแก้วนาทีว่านาสารตรานำสารตราของพระเจ้าแผ่นดินมาถวายพระมเหสีเขาก็อนุญาตเมื่อมเหสีได้อ่านแล้วยังกล่าวตำหนิพระราชสามี ว่าโอ้ทำไมพระราชทานให้น้อยไปอ่นี่พระพระราชินียังเห็นว่าน้อยไปนี่พระราชทานให้คนละแสนกหาพณะเอาเราจะให้พวกท่านคนละสามแสนพวกนั้นตกลงว่าได้เงินคนละสี่แสนกหาพณะกันเพราะบวกข่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงบังเกิดขึ้นในโลก แก่พระราชาในครั้งนั้นนี่แหละจงว่าการหาเงินเมื่อมันไปถูกจังหวะถูกช่องมันบุญอำนวยผลให้แล้วมันได้ง่ายๆได้สบายเลยส่วนพระไมเหสีนั่นเมื่อได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็ให้คนไปบอกภรรยาของอมาตทั้งพันหนึ่งนั่นนะแกไงทราบว่าบัดนี้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 เมื่อภรรยาของอมาะเหล่านั้นได้อ่านดูจดหมายแล้วก็พอใจจะออกบวชติดตามพระมเหสีไปก็จึงได้ตอบพระมเหสีนัดวันเวลากันได้รถคนละคันแล้วก็ไปกันแล้ะสมัยก่อนนะั้นรถเทียมมา้ารถจากรรถจนอย่างนี้ไม่มีก็พากันพารถวิ่งไปตามทาง ที่จะไปสู่เมืองสวถีนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นรู้ด้วยพยานว่าผู้มีบุญจะมากราบมาไหว้พระองค์พระองค์จึงได้เสด็จไปต้อนรับอยู่ที่โคนไม้ต้นนิโครธดต้นหนึ่งข้างทางที่พระเจ้ามหาคปินะเสด็จไปข้ามแม่น้ำถึงสามแม่โดยอธิฐานบุญญาบารมีแล้ว ขับมากระโจนลงบนน้ำน้ำาม้าไม่จมลงในน้ำเลยเท้าม้าก็ไม่เปียกเหมือนกับม้าวิ่งไปบนดินนี่เองนะไปถึงแม่ที่สองที่สามก็อธิษฐานถึงบุญบารมีคุณพระตนกัเข้าก็บม้าก็วิ่งไปได้สะดวกสบายแม่พวกมาเห็สีเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็อธิษฐาน อย่างเดียวกันแล้วก็วิ่งรถไปบนผิวน้ำรถก็ไม่จมลงในน้ำเนี่ยนี่แหละเรื่องเรื่องอปุญญานุภาพนะถ้ามันมากพอแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะบันดาลให้อุปัรรคต่างๆนั้นลุล่วงไปได้เลยจากนั้นการทำบุญกุศลของพุทธศัสนาจะไปท้อถอยเมื่อเราทำน้อยนี่บุญกำลังน้อยมันจะมาอำนวยผลให้ อยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนั้นมันอํานวยไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะว่ามันมีกําลังน้อยมันจิบันดาลอานวยผลให้ได้อย่างนั้นทําไมล่ะอย่างนี้เนี่ยผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วกดทําบุญกุศลที้มันมุ่งมากเข้าออืไหวพระนั่งสมาธิภาวนาขายันเข้าไปอย่างนี้นะไม่เห็นแก่รับแก่นอนเพราะว่าการภาวนา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 เพื่อกีใจดวงนี้แหละให้มันเข้มแข็งเข้าไว้ให้มันสงบระ ง, งับให้มีปัญญารู้เท่าทาดสี่ขันหานี่ตามเป็นจริงอย่างไรเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่ยนี่รงพ ง, ง, งวางวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่างนี้นะเมื่อตายลงนะไม่มีทางหรอกมันจะไปเกิดอยู่ในโลกนี้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 แม้เราไม่ปาเถนามันก็ไปไปด้วยอำนาจแห่งบุญทุกคนก็ไม่ต้องปารถนาหรอกบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยๆไปฝึกขนจิตใจของตนให้แน่วแน่ยอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันตกไปทางบาปอากุศลเช่นนี้แล้วนั่นถึงไม่ปารถนามันบุญกุศลที่ทำามันต้องนำไป ถ้ามีบุญมากก็ก็นำให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกุ้วโดยลำดับไปอย่างนี้นะถ้าบุญไม่มากถึงขนาดนั้นก็ให้เกิดสวรรค์ชั้นต่ำชั้นดาวดิงอะไรอย่างนี้นะชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นยามาอย่างนี้แหละถ้าถึงชั้นดุสิตขึ้นไปแล้วถือว่าเป็นเทวดาที่มีบุญมากพอสมควรทีเดียว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 พระองค์ก็ตามเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดแต่ว่าทรงประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงพอเหตุว่าสวรรค์ชั้นอื่นนั้นเป็นอากาศเทวดามีวิมาลอยอยู่ตามอากาศเฉยๆส่วนสวรรค์ชั้นดาวดิงนี่อยู่หลังเขาสินเนรุราชชั้นจารุมหาราชิกาเนี่ก็อยู่เชิงเขาสินรุราช มีสวรรค์สองชั้นนี่แหละที่อยู่ติดกับดินเป็นอย่างนั้นหลังเขาเซเนรุลาชนั่นก้วงได้หมื่นโยต์มนทรอันนี้นั ว, ว่าก้วงพอได้เหมือนกันนะอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่เชื่อพระปัญญาตัตรูของพระเจ้าจึงไม่ท้อถอยในการทำความเพีย ในการฝึกตนเพราะว่าตนอยู่ทุกวันนี้นะจิตดวงนี้มันก็ได้รับความทุกข์ความสุขคุกเข้าออ ก, กันไปอยู่ยนั้นหามีความสุขตัวส่วนเดียวไมมอันนี้เนี่ยเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนี้มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่เลยไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่าง น, น, น, างนี้ไปอยู่อย่างนั้นนะ นั่นแหละผู้มีสติสมสัติญาผู้ภาวนาพิจารณาอยู่จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละเขาเห็นทีไรก็มีแต่ความวุ่นวายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้มีแต่แปรผันกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นนี่นะดูมันอยู่เสมอๆแล้วมันก็มันก็เบื่อแล้ววัน น, วนี้นะ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 ถ้ายังมีความกำหนัดยินดีในธาตุสี่ขันหานี้อยู่อย่างนี้นะแล้วมันก็ความกำหนัดนี้เมื่อมันมีแรงกล้าเข้าไปแล้วมันเป็นเหตุให้ทำบาปเหตุฉะนั้นมันถึงจะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์สั้น์ฟ้าอะไรต่ออะไรหรือว่าอย่างว่ามันไม่ทำบาปมากตายจากคนก็จะได้เกิดมาเป็นคนอีก แล้วก็จะได้มาทนทุกทรมานอย่างนี้ออกเหมือนเหมือนอย่างอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ อ, อันนี้แต่ว่าตัณหามันย้อมใจของคนให้ยินดีอยู่แต่ในโลกทุสขสราอันนี้แหละส่วนมากนะไม่อยากให้หนไม่อยากหนีจากโลกอันนี้เนื่องจากว่าตัณหามันย้อมจิตบางครามันก็ให้เกิดความสุขความสบายใจเหมือนกันตัณหานี่มันมีมายาร้อยแปด เช่นบุคคลทำการทำงานได้เงินได้ทองมามากมีเงินมีทองมีฐานะดอะีอยู่ดีกินดีจะไปไหนก็ไม่ลำบากมีพาหานะรับใช้รับสอยก็เลยถือว่าตนมีความสุขพอแล้วอย่างนี้ลราจึงไม่เอื้อเพื่อจึงไม่ได้หันหน้าเขา้าสู่วัดวาอารามสระดบรับฟังพระธรรมคำสอนของพระเจ้า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 ทัา น, นจะมารักษาศีลอุโบสถอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ตัณหามันก็บวกแล้วไม่ได้เอไปรักษาศีลยจะได้กินอะไรอ่ะไม่ได้ทําการทํางานอะไรอย่างนี้จะมีรายได้ที่ไหนอ่ะอย่างโน้นอย่างนี้ไปแล้วตัณหามันยังมีอุบายหลายอย่างอจิตก็ไปเชื่อตัณหาเสร็จแล้วก็เข้าวัดจำศีนอุโบสถไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งภาวนาก็ปวดหลังปวดเอว อย่างนี้นะนี่แหละจึงว่ามันพระพุทธเจ้าจังตรัสว่าคนลงนรกเหมือนกับขนวัว น, นั่นนะไม่ไม่ไม่ค่อยผิดหรอกอไอพูกที่คิดเห็นโทษเห็นภัยในกิเลสตนนหะามันก่อให้เกิดความทุกข์วุ้นวายต่างๆวันนี้มีน้อยเดียวแล้วหันหน้าเข้ามาฝึกตนในวัฏป า, ารามอย่างนี้แล้วเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามีปริมาณน้อย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 ดังนั้นผู้ที่มารู้มาเข้าใจเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็จึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทควรมีสติสมปชัญญะรักษากายวาจาใจของตนนี้ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษบนทินต่างๆที่ว่ามันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะรักษามันอย่าให้มันเศร้าหมองกลับคืนอีก อย่าไปสร้างกิเลสบากิเลสอันเป็นบาปประทำให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ต่อไปทำอย่างไรกิเลสอันมัวหมองจึงจะไม่ครอบงมจิตใจเราก็ต้องทำไปแล้วก็ได้แก่เป็นผู้มีสติสมัชยญยะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถทั้งสี่นั่นเองนะอ่ไม่มีแหละอย่างอื่นที่จะ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 ขึ้นมาแล้วอืมมันจะไปไหนล่ะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้พิษภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยอินทรีย์มันก็แ ก, กล้าขึ้นไปมันก็ทำให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารนามโูกอันนี้ขึ้นมานี่แหละถ้าเราไม่บำเพ็ญเพียรเพ่งวินิจบร่อยมันไม่เบื่อไม่น่ายนี้ ต้องเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกความจริงของร่างกายนี่เป็นอย่างไรนี่นะต้องเพ่งดูแล้วรู้อีกที่พวกพูดอยู่นี่ได้ได้บาเพ็ญมาแต่เบื้องต้นก็แบบนี้เองนะเพ่งพิจารณาลงไปถึงกับว่าเอาใส่หีบแล้วขึ้นตั้งบนเชิงตะกรจุดไฟเผาลงไป ไฟไหม้ก็ปรากฏเห็นว่าไฟลุกโรล่มันก็ปรากฏเห็นอยู่ในใจอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยนะท่านเรียกว่าอุกหานิมิตนิมิตติตาจนว่าไฟไหม้สบนั้นให้เป็นเท่าลงไฟเป็นฐานลงไฟยุบลงไปแล้ววันนี้ก็เหลือแต่กระดูกนั่นแหละท่านพูดได้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 เก็บกระดูกพ่อแม่ไว้ในที่สมควรเผื่อว่าเมื่อเราตายลงไปไอ้ลูกหลานเขาก็จะเก็บกระดูกไว้ในที่สมคว ร, ควรเช่นเดียวกันออลูกหลานมากราบมาไหว้ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลของเขาอย่างนี้นะคนดีทั้งหลายในโลกนี้นะะดูทั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระุทธเจ้านะั่นเมื่อพระ อ, องค์ปรินิพาน แล้วนั้นชาวมันล ก, กษัตริพร้อมกันถวายพระเพลิงเสร็จตรงไปแล้วพระาธาตุของพระองค์นั้นพวกกษัตริย์ในเมืองกุธินรานั้นจะไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยนี่จะเก็บหวงไว้เฉพาะแในเมืองของตัวเท่านั้นในคราวครั้งนั้นมีพรหม์คนหนึ่งชื่อว่าโทนพรม เคอเป็นอาจารย์สอนศีลปวิทยางต่างให้พวกกษัตริย์เหล่านั้นคือกษัตริย์สร้างเจดโวเมืองได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วอย่างนีก้ก็พากันยกกองทาหารไปสู่เมืองคุชินาลาหวังว่าจะไปขอส่วนแบ่งพระบรมธาตุของอุปัชฌาย์เจ้านั้นเอาไปก่อพระเจดีย์ไว้ในเมืองของตนให้คนทั้งหลายได้ไกราบไหว้สักการบูชา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 องกษัตริย์เหล่านั้นนะ่จึงไปขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วก็ประกาศลงมาเลยว่าท่านทั้งหลายที่ยกข บ, บวนกันมาเนี่ยพระราชามาหากษัตริย์นี่กระล้นจะเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทั้งนั้นข้าพเจ้าสอนศิลปวิทยาให้วันนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคําข้าของข้าพเจ้าพระศาสดาของเราเนะี่ยทรงสอนให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในความอดมทน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 กษัตริย์ทั้งหมด่านั้นก็เห็นดีเห็นดีให้อาจารย์แหละเป็นผู้แบ่งสรรปันทวนแล้วแต่อาจารย์เห็นดียังไงก็แบ่งให้ไปเลยโทนาพามก็จึงได้แบ่งพระบมรมธาตุเหล่านั้นออกเป็นแปดส่วนส่วนหนึ่งก็ให้แก่พวกมรละกษัตริย์เจ็ดส่วนนนั้ก็ให้แก่เจ็ดหัวเมืองนั้นท่านเหล่านั้นก็รับเอาอไปโดยไม่มีข้อ ตำหนิตีเตียนผู้แบ่งอะไรเลยแต่ส่วนโทนพราหมณ์นั่นไปเห็นพระเขี้ยวแก้วของพระ อ, องค์เข้าก็คิดว่าเราต้องเอาแน่เพราะเราเป็นผู้แบ่งวันนี้ก็หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วนั้นซ่อนไว้ในมวยผมไม่ให้ใครเห็นเลยเมื่อกษัตรติยานั้นเลิกลาไปแล้วบนี่โทนพราหมณ์นั้น คิดว่าจะเอาเคี่ยวแก้มาดูก็ทำดูที่ผมไม่มีแล้วโอ้ยเสียใจอย่างแรงทีนี้ไม่ทราบว่าไปที่ไหนฮะนี่แท้ที่จริงแล้วพาอินน่นมาเอาขึ้นไปสร้างพระเจดีบรรจุไว้ในสวรรค์ชั้นดาวริงนูหนู้อให้นามชื่อว่าพระเกตแก้วจุลมณีเจดีบ่นว่านั่ น, นี่ย บางคนก็ตั้งปัญหาว่าเอ๊พญายินเป็นผู้มีศีลมีบุญมากอานั้นน่ะทำไมจึงมาลักเอาของเขาไปมันจะไม่เป็นบาปเป็นโทษหรืออย่างนี้ผู้เฉลยก็เฉลยว่าไอพญายินน่นเดี๋ยพิจารณาก่อนแล้วถึงมาเอาไปพิจารณา ว, ว่าทนพามเนี่ยถึงจะ ยึดเอาพระเขี้ยวแก้วอันนั้นไว้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาพระเขี้ยวแก้วอันนั้นไว้ได้ต่อไปก็จะตกไปเป็นของผู้อื่นไปอย่างนี้มันจะไม่เป็นประโยชน์มากถ้าหากว่าพระองค์พระ อ, อินทลงมาเอาไปว่บรรจุไว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์แนนแนวพวกเทวดาหกชั้นฟ้าก็จะลงมากราบมาไหว้สักการบูชา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 โดยเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนะ่ถึงวันแปดค่ำสิบห้าค่ำมาพวกเทวดาหกชั้นฟ้าก็ได้ดอกไม้ทุกเทียมเป็นทิพย์แล้วก็เลื่อนลอยลงมาสู่เมืองสวรรค์ชั้นดาวริงอไปเดินเวียนประทักษิณสามรอบแล้วก็ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียมเป็นทิพย์นั่นแก่พระเจดีอกราบไหว้เสร็จแล้วก็จึงได้ไป ประชุมกันที่ธรรมสภาศาลาออันบุญกุศลของพยาอินพร้อมด้วยมเหสีเราหักนิลมิตไปให้อท่านเหล่านั้นไม่ได้สร้างเองหรอกบุญกุศลที่คนทํำ ไ, ไปติดมนุษย์แต่เป็นมนุษย์เนี่ยอสร้างไว้ให้เลยนิลมิตขึ้นมามเป็นอย่างนั้นพระนางนาง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 เมื่อเดินทางไกลไปค่าตรงนั้นก็ไปแวะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าศาลาพักอยู่อาศัยเอาถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ไปคนคนเดินทางไปพักอยู่ในห้องใดไอ้เจ้าของห้องนั้นจะต้องเลี้ยงดูผูเสือ่อคนเดินทางนั้นได้ตั้งก้อติการะว่าอย่างนี้เพราะว่าการสร้างศาลา นั้นได้ได้รวมใจกันสร้างรวมกันกับนางสุธรรมมาแต่นางสุธรรมมานั้นเรียวกว่าเป็นเป็นนายทุนใหญ่ยอย่างนั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลอยู่นั่นแหละนางสุจิตรานั้นไปสร้างสะโบคคารีนางสุนันทานางสุนันทานั้นสร้างสะโบครณี นางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ให้คนได้ไปดูไปชมเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าตั้งแต่เป็นพระยาอินเป็นมคมนกเนี่ยจะเป็นมนุษย์อยู่นั้นนะ่ะเป็นมคมนกมีเมียอยู่สี่คนนะ่ะส่วนนางสุชาดาไม่ทำอะไรเลยเพราะเพราะว่าได้คิดว่าสามีของตนก็เป็นลูกลุงไม่ใช่ใครอื่น เมื่อสามีทําแล้วก็เหมือนกับภรรยาทำนั่นแหละเลยมีแต่ผัดแป้งแต่งตัวอยู่เฉยๆไม่ขอนขวายสร้างบุญกุศลร่วมกับสามีและกับพรรคพวกเข้าใจผิดเรื่องมันน่ะพอต่างคนต่างตายไปแล้วนาะงสุชาดานี่ก็เลยไปเกิดเป็นนางนูกยางหากินปลาอยู่ซอกเขาแห่งหนึ่งอย่างนั้นส่วนนางทั้งสามนั่น ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นวริงกับมรคมานกมรคมานกก็ได้เป็นพญาอินครองเมืองสวรรค์ชั้นดวริงนี่ทวนเมียหลวงนางสุชาดาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนกยางหากินปลาเรียบหนองน้ําอยู่ทอกเขาแห่งหนึ่งพญาอินเมื่อได้เกิดเป็นพญาอินขึ้นมาแล้วมันก็เล็งงานดูว่าเอ๊ะภรรยาหลวงขอเราไปไหนอ่ะ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 นุกยางก็ทำตามนกนกรยางรักษาศีนหน้าแล้วเมื่อตายลงมาก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของอสูนอสูระอสูร ะ, ะนี่เกิดอยู่เชิงเขาทีนรุ่ลาชที่ชั้นจัตุมหาราชิกาณ์นี่เองเป็นลูกสาวของอศูน嘛นี่ เมื่อเป็นลูกสาวของอาศูนทร์ทีแรกก็ไปเมื่อรักษาศีลห้าแล้วตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสาวของช่างหม้อก่อนอืมตอนนั้นพยาอินก็ตามไปอุปการะให้ทรัพย์สินเงินทองไว้เลี้ยงชีพรักษาศีลห้บริสุทธิ์เมื่อดังรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ตายไปก็ได้จึงได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของพวกอาศูนตอ เมื่อเป็นลูกสาวพวกอสุนอพยาญินเล็งที่พระเนตรดูก็รู้ได้ว่าไปเกิดเป็นลูกสาวของอสุระซึ่งเป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนบานในพญาอสุนพญาอสุระนั่นนะ่ะเห็นลูกสาวของตนใหญ่มาสมควรจะแต่งงานแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประกาศป่าร้องพวกหนุ่มๆทั้งหลายมาชุมนุมกันอ่ เพื่อให้ลูกสาวตนเลือกเอ้าว่าชอบคนไหนให้เอาพวงมาลายไปคร้องค อ, อคนนั้นบันนี้เมื่อพระยาอินทราบข้าว่รงนี้ก็นิรมิตตัวเป็นอสุรแก่ไปพนเพยอยู่กับหมู่นั้นพอให้นางอสุร น, นางลูกสาวของอสุรได้มองเห็นบันนี้บอกว่าเอาเลือกเอ้าชอบคนไหนเอาพวงมาลัยไปคล้อง ไอ้นางสาวลูกอสูรนี่ก็เอาพวองมาลัยเดินไปไปคล้องคอให้อินทาปรมเลเสียงอาอย่างนี้พญอินได้รับเกียรติอย่างนั้นแล้วก็รีบอุ้มเอานางอาสูรนั่นไปเลยถ้าขืนจักชาอยู่เรียบพวกอสูรนั่นจะล้มเล่นงานเอาอก็พาไปเลยนั่นเอง เอาขึ้นสูจักรแก้วแล้วก็พาไปแล้วนยสารถีมาตลีสารถีก็พาขับจากแก้วอ น, นั้นไปอืมออกไปนี้พวกอสูงก็วิ่งตามไปอ่ะก็ติดตามไปพอสารถีขับรถจากอันนั้นไปไปถึงไงที่อยู่ของพวกครุฑนะ พขยายนเห็นว่าวัวมันจะไปทำลายชีวิตของลูกนกครุดตกคุดที่บินบินไปไม่ได้วงั้นเพราะว่าจักของพรขยายินนั้นไปตรงไหนนี่ไม่มีเหลือเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็หมดไปเป็นแถบๆไปเลยแหละอืมพระญายินว่าเอถ้าอย่างนั้นเรานี่อย่าไปทำลายชีวิตของสัตว์เลยถอยๆถอ ย, ถอ ย, ถอยคืน อา้าแม่นแม่นจะตายกา็กว่าแล็กใสบันทึกไอ้พวกอสูรที่ตามมานั้นเห็นพระญายินถอยหลังหันหน้ากลับคื้นสู่ที่เดิมก็เข้าใจว่าพระญายินเนี่คงได้พักพวกมาแล้วกลับจะมาสู้พวกเราแล้วบวะนี่ก็กลัวกันเลยถอยกลับเข้าเมืองไปเลยพวกอสูรเหล่านั้นนะเนีนนนพนยพระญายินได้ทีก็ทํา ท, ท่าขับไล่พวกอสูรเหล่านั้นไป ได้โอกาสแล้วก็เปิดขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวริงไปเลยแบบนี้นะไปทางอื่นไม่ไปทางเมืองพญาคุธเอานางลูกสาวอาสูรนี่ไปอภิเสกให้เป็นอัคคมเหสีตามเดิมให้นามว่านางสุชาดาเหมือนแต่ชื่อเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นอย่างนี้นี่แหละอันนี้สงสินนะ่าหน่ายพาเข้าใจ เมื่อรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วอย่างนี้มันก็พาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสยืนยันไว้ว่าสีเลนะสุคติยันตินั่นเนี่ยในท้ายสินนะผู้มีสินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้อืเป็นความจริงแหละผู้มีสินนี่เป็นคนไม่มีบาป เป็นคนมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอถึงมีศีลบริสุทธิ์ได้ถ้าผู้ใดยังมีใจโกรธอยู่ยังยึดมั่นในความโกรธอยู่เช่นนี้แล้วนะจะทําศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยนี่ยมันต้องชาระความโกรธให้สงบระ ง, งับไปจา ก, ก จ, จิตใจแล้วจเจริญเมตตาเข้าใส่แทนไว้ในใจนั้นทุกวันทุกเวลาเช่นนี้แล้ว พระค่ น, นั้นว่าจิตดวงนั้นไม่มีบาปครอบงำเลยมไม่มีบาปแล้วเมื่อนีบาปแล้วมันก็เบาสิไม่มีบาปแล้วเหตุนั้นพอจิตถอนออกจากร่างอันนี้แล้วมันจึงไปบังเกิดสวรรค์เพราะว่าบุญอนุสงสินน่ะมันแรงกล้าเหลือเกินไอการผลทานนั้นก็แล้วแต่กำลังของผู้ทำน่นจะทำได้มากได้น้อยเท่าใด ถ้าผู้ที่มีผลทานน้อยอย่างนี้เราก็ไปตกแต่งเครื่องใช้ไม่สอยอาหารการบ ร, ริโภคให้แต่น้อยไม่มากก็ตามกำลังของผลทานนั่นแหละไปะเป็นอยงนั้น <c oughs> <c oughs> ผู้ใดมีภาวนาฝึกขนอารมณ์จิตใจของตนให้สงบระ ง, งับเจริญปัญญาวิปัสนาเป็นอารมณ์อยู่อย่างเช่นนี้เนี่ย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 เป็นเทวดาที่มีรูปละเอียดมากมจิตใจก็ละเอียดละออนเมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสานาหนีอย่าไปปาถนาะไปเป็นเทวดาอินพรมแต่ว่าพึ่งบำเพ็ญสรรมถะวิปัสนานี้ไปด้วยความไม่ประมาทแล้วถ้าว่าบุญกุศลยังไม่เต็มยังไม่บรรลุถึงพระนิพพาน ก็จะต้องมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้